แต่การเรีไม่ใช่อย่างนั้นการับถ้ืาที่เราดนะถ้ย่าง่ัมแต่ว่าเบรปมันคือมีลาเพื่อหออกเป็นอย่างเดียวนะอาจรยษาสรคนเดีย ว, ย ว, ยวแล้วถึงที่ศิษยาต์ยก็ไมหได้ถืไตัวเลยนะเขาเป็น่อยู่รอบๆเองครับแลแบบ้วเราตั้งตังเราไปควอมมั่เกิดขึ้นความอดรความเป มันอยากจะพูดกับเพื่อนนะครับมันอยากจะคุยเราเก็บทุกๆรายละเอียดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการสร้างจังหวะเป็นตัวกวนให้เขาเกิดขึ้นนะครับเราสร้างจังหวะไปเรื่อยเนี่ยสิ่งพวกนี้มันก็จะเข้ามาทีนี้พอมันเข้ามาเนี่ยเราก็ไปศึกษาเรื่องนี้แหละเรื่องที่มันมีอยู่กับเราทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละนะครับดังนั้นผู้ใหม่ก็อย่าให้ตั้งใจอในสองวันนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการเก็บอารมณ์แล้วเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทีนี้เราไปอยู่ที่ไหนเราเก็บได้นะครับทีนี้เรานั่งอยู่บ้านหรือว่าเดินหรือนั่งอยู่ตรงนี้ก็เก็บอารมณ์ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะนั่งไม่ใช่ว่าจะอยู่ยในห้องหรือว่าอยู่คนเดียวเสมอไปอยู่ทุกทุกทุกที่เรา <S <S นนเก็บอารมณ์ได้หมดเลยนะครับแม้แต่การพูดอยู่ตอนนี้ก็เก็บได้การยกมือสั้นยังหวะการนั่งฟังอยู่ตอนนี้ก็เก็บได้แต่เบื้องต้นเนี่ยขอให้เราเข้าไปศึกษาให้ชัดเจนก่อนนะครับ เวลาเราเขาไปเก็บอารมณ์เนี่ยเราพยายามใช้พื้นที่เนี่ยเลือกให้ดีนะครับ อ, พ ย, อยพยายมามเราอยา่าพยายามย้ายไปย้ายมาอย่าอย่าสลับที่ให้มากมันจะเกิดความฟุ้งซ่านนะครับเพื่อถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์อึดอัดที่มันอยากจะไปที่อื่นเนี่ยมันก็จะเข้ามานะครับเวลาเห็นแดดมันร้อนหน่อยเราก็จะอยากจะหนีอย่างเงี้ยความจริงเราขยับนิดหน่อยเพื่อให้มันหลบแดดก็ได้อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วเวลาเข้าไปเนี่ย หนึ่งเลยเนี่ยคือเราอย่าไปกดดันตัวเองนะครับคือพยายามทําตัวให้สบายสบายผ่อนคลายนะครับเข้าไปเรียนรู้ให้มันเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่ไปหานะครับไปหาไปเก็บไปกดไปหาคําพูดถ้าอยากจะอธิบายให้หลวงพ่อฟังอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเวลาหลวงพ่อถามท่านจะตอบอยังไงดีอย่างนี้อย่างไม่ถูกนะครับไม่ถูกแต่เราเข้าไปศึกษารายละเอียดที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับ เมื่อก่อนเคยเป็นนะไม่ใช่อะไรหรอกเขาไปเดินคิดทั้งวันแหละว่าจะตอบหลวงพ่อว่ายัางไงใช่ไหมแล้วหลวงพ่อมาถามมือตะจะตอบว่ายัางไงดีถึงจะบอกว่าได้ลมใช่ไหมแต่นั่นไม่ถูกนะครับไม่ถูกเราต้องมาศึกษาตัวเองจริงๆนะครับศึกษาความคิดศึกษาความเบื่อศึกษาที่มันเกิดขึ้นทุกวันที่เราศึกษากันนี่แหละที่เรามาปฏิบัติข้อเจ็วันเนี่ยสามสี่วันแรกเนี่ยก็เพื่อเพื่อที่ที่จะให้เราเนี่ยหายง่วงนะครับเพื่อที่จะทําให้แข็งเราเนี่ยยกได้ง่ายโดยที่มันไม่ปวดใช่ไหม สามสีนะ่วันเมื่อี้เริ่มผ่อนคลายใช่ไหมอ่าเพระช่วงทุ่ท้ายก็สามารธเก็บลมได้ความง่วงความง่วงความเบื่อก็หายไปนะครับแต่เวลาเก็บอารมณ์เนี่ยห ล, กลกักๆเลยเลยเข้าไปเนี่ยคือเราอ่าอย่างที่เราทำมาหลายๆวันเนาะก็พยายามอย่าง่วงนะครับพยายามสร้างความตื่นตัวไว้หลักๆเป็นนี้คือสร้างความตื่นตัวกระชาวประเจกของตัวเองไว้ให้ดีนะครับพอเราตื่นตัวอยู่เนี่ย เราจะเห็นพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอารมณ์ที่มันเข้ามาต่างๆเนี่ยเห็นได้หมดเลยความม่วงความเบลนความเบื่อที่หลวงพ่อพยายามอสอนมาสี่ห้าวันเนี่ยนั่นแหละครับที่เราต้องเอาไปใช้ให้ได้นะครับถ้าเราไปนั่งง่วงแงบแงบอยูนี้่เก็บอารมณ์ไม่ได้เรื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับได้แต่ความความสบายความผ่านไปวันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่เก็บอารมณ์เนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจ ในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับจริงๆนะครับ <rian> อย่างความเบื่อเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยมาศึกษาเนี่ยมันเบื่อมันเป็นยังไงนะครับ <M ül ash or> พอมีโอกาสไปนั่งเฝ้าดูมาเ น, นี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้ความเบื่อ น, นี่มันเริ่มจากเราคิดถึงคนอื่นก่อนหรือว่าคิดถึงเรื่องอื่นก่อนหรือว่าอยากจะไปที่อื่นอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะโผล่เข้ามานะครับความเบื่อความเสียงอะไรก็ไหลเข้ามาหมดเลยพอเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยต่อไปเราก็เข้าใจเขาแล้วมันเกิดขึ้นมาก็อ้อนี่เป็นอารมณ์แค่รู้เบื่อแล้้ววก็าา่จัดดไ อารมณ์ห่วงอ๋อมันห่วงมันเซ็งแล้วก็ขจัดขจัดออกเรื่อยๆทีนี้ยพอเราไปใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็จะสบายนะครับอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วก็เออมันอาจจะมีหงวดหงิดบ้างแต่ว่าเราก็เอออารมณ์งวดหงิดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าใจทีมันก็หายไวแต่ถ้าไม่คุณมาศึกไม่มันได้มาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นว่าโอ้อารมณ์พวกเนี้เป็นเพียงอารมณ์ที่จอนเข้ามานะเวลาเราโดนกระทบปั๊บเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีใจเราเต้นกระทบตึ๊กตึ๊กตึ๊กขึ้น มีมันทําร้ายเราได้ขนาดนี้เหรอแค่คําพูดแค่น <pted> <descriptive together> ี้เราก็จะกลับมาดูใจดูกายตัวเองทีนี้เป็นเราเพื่มมาแก้ไขตัวเองทีนี้ครับเพราะฉนัผู้ใหม่เนี่ยหรือว่าผู้เก่าอก็ตามนะครับก็พยายามนะพยายามอย่าพูดคุยนะพยายามอย่าเดินไปหาเพื่อนพยายามอย่าเข้าห้องน้ําอะไรเยอะเดเดินอยู่เบื่อไปเข้าห้องน้ําดีกว่าอยากไปเฉยนี่แหละใช่ไหมเราก็ต้องดูอารมณ์พวกนี้แหละ พวกที่มันเกิดอยู่กับเรานี่เองมันเราไม่ได้ไปหาเรื่องอื่นเลยนะครับมันจะเข้าแบบอยากไปเข้าห้องน้าจริงเหรอหรือว่ามันอยากจะออกแค่อยากอยากจะไปอยากตรงนี้แค่นั้นเองนะเนี่ยมันหลอกเราเก่งนะบาทีไปก็ไม่ปวดหรอกใช่ไหมอยากจะเดินไปแค่นั่นแหละครับเนี่ยเข้ามาศึกษาเรื่องเล็กเล็กเ็น้อยนะครับอ่ามันหิวมันปวดเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นอ่าเฉพาะหน้าตอนนั้นเนี่ยเขานั่งไปอ่าตอนนี้มันไม่ง่วงใช่ไหม อ, Finished. อ่ะมันไม่ง่วงอ่ะมันมีความคิดไหมอ่ะถมันไม่มีความคิดเราก็ดูว่าตอนที่มันไม่มีความคิดเนี่ยเอ๊หัวเราเป็นยังไงเอามันลงโล่งปุล ง, งพอเวลามีความคิดเข้ามามันเริเ่อมายังไงมันไปยังไงนะครับเวลาเป็นเรื่องเครียดเนี่ยอารมณ์ที่มันเครียดความคิดที่มันทําให้เราเครียดมันเป็นยังไงเนี่ยศึกษาเรื่องพวกเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆก็นั่งไส้หวาไปเรื่อยๆนี่แหละครับอืมแต่ของพวกเนี้ยมันจะเข้ามาเองนะครับไม่ใช่ว <las working RB> ่าไปเข้าไปงดกิจกับอารมณ์นะใช่ไหม คิดถึงหน้าคนที่ไม่ชอบนี่หงุดหกิดเลยนะครับโอ้โหมาก่อนมันทํารองขนาดนี้เหรออะไรงนี้แต่แล้วก็เข้าไปศึกษาว่าเอ๊ะทาไมอารมณ์ที่มันเข้ามาแค่นี้ทําไมทําให้เราขห ง, ง, ง, งุดหงิดถึงอารมณ์มีกระสับกระใสมีความเครียดขึ้นมาอย่างงี้ล้วก็เข้าไปดูเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับใช่ไหมก็เราเราก็ทําเหมือนทุกวันที่เรามาทํานี่แหละแต่ว่ามันมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยได้ไปอยู่คนเดียวได้ไศึกษาคนเดียว เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องใช้เวลาให้เต็มที่นะครับส่วนส่วนวิธีการที่ผมทําเนี่ยส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ไปเข้าอในที่ส่วนตัวเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ส่วนมากผมก็ดีนะเพราะว่าผมจะทําตามอการทํางานอะไรพวกเนี้อยู่ข้างนอกเพราะถ้าเราเข้าใจวิธีการเก็บอารมณ์เนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องไปนั่งในห้องเสมอไปนะครับเราจะทําอะไรเราก็เก็บอารมณ์ได้หมดเลยอย่างทําวัดเนี่ยเราก็พยายามเก็บอารมณ์พยายามไม่ให้มันคิด ไปข้างนอกพยายามสวดกับคําแต่ละคํคคาคําคอบกล้าคำแปลเว้นบักอะไรให้ดีเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วก็เก็บสิ่งพวกเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยครับเราเดินไปข้องน้ำแต่ละก้าวเนี่ยอ่าเราเดินจากตรงนี้ไปเราก็ไปตรงมองว่าเ อ, อ้ยเราเราไปทางนี้มันรบกวนพวข้างๆไหมเรามาทางนี้เป็นยังไงเราค่อยๆก้าวไปเหยียบไปแต่ละกั้นละกันก็เป็นการเกี่ยวลงไปถึงนี่ถึงนั่นก็ได้เราสองสามนาทีใช่ไหมเราก็ได้ พอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ตื่นมาแล้วก็เอาเลยนะครับตื่นมาแล้วก็พลิกซ้ายที่ขวาขึ้นมาอ่ะเก็บผ้าหม่มอับที่นอนรูดเต็นต์ออกมาอ่เอามือนี่รูดเป็นยังไงอ่ะรูุกออกมาเดินก้าวขาไหนออกมาก่อนเดินไปห้องน้ําบีบยาจีฟันอ่ะดึงผ้าเช็ดหน้าเข้าห้องน้ําปิดประตูเปิดก่อนเปิดกอ๊อกแปลงตามดูรายละเอียดที่มันมีอยู่นี่แหละครับเราไม่ได้หาเรื่องอื่นเลยแต่ว่าของพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่เราแค่เข้าไปใส่ใจเขานิดนึงว่า ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่จริงๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเนี้ยใช่ไหมเราก็เดินลงมานี่มาถึงเมืองนั่นนี่อออ ก, กอ็ออกกําลังกายอ่ะออกกําลังกายมันก็หนักก็เหนื่อยแล้วก็ตามไปอ่ยืดแข้งยืดขาไปอย่างนี้อะยืดหลังวันี้โอ้หอบเหนื่อยอาการคล่มลงอาการเลือดที่มันเวียนศีสระแล้วรูอาการมันเป็นยังไงเหื่อยหน้าขึา้นมันวินหัวมึนหัวนิดนึงแล้วก็ตามดูไปแล้วก็ผ่อนคลายออกมาแต่ตามเข้าดูาไปเรื่อยมันไม่ได้หาเรื่องอื่นเลยแค่เราเข้าไปเห็นแค่นั้นเองครับเนี่ย พอเราเข้าไปเก็บอารมณ์เราก็ศึกษาอย่างนี้แหละครับอเราก็ทำอย่างเงี้ยตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนเป็นการเก็บอารมณ์ไหมครับใช่ไหมมันก็เป็นกา ร, การเก็บอารมณ์ในตัวไม่ต้องไปนั่งกับที่ด้วยซ้าเวลาโดนอ่าใครมากระทบทึกอ่าทําให้ไม่พอใจแล้วก็เฮ้ยโอ้นี่ใจสั่นเลยแค่นี้เองมันก็ได้หัวเราะตัวเองทีเนี้ยแค่นี้ต้องตั้งใจสั่นด้วยเหรออืมแค่ได้ยินคำเสียงได้ ย, ยินเสียงที่ไม่ถูกใจแค่เดียวขึ้นเลยโอ้แค่นี้ขึ้นเลยเหรอ เราก็ตลกตัวเองทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นการอ่ไปตอบสนองแล้วแต่ว่ามันเป็นการมาดูตัวเองแทนว่าออแค่นี้ทําไมต้องต้องขึ้นด้วยเอใช่ไหมเราก็แก้ไขแล้วก็หายใจลึกๆเราก็มีโอกาสเตรียมตัวอย่างเนี้ยเนี่ยง่ายไหมพูดอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าลองสังเกตดีๆว่าพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยพวกเรามาหาอะไรหรือเปล่า ธรรมะมันไม่ได้หานะครับแต่ว่าให้เราเข้าไปดูแค่ S. <S นั้นเองเขาไปเห็นกันเองมันไม่ต้องเดินหาหรอกอารมณ์ดีเป็นยังไงอารมณ์ร้ายเป็นยังไงคือไม่ต้องไปเอาหรอกครับอารมณ์ดีอารมณ์มร้นนาเ ย, ด ย, ดดนะ ย, ยเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับวันนี้โอ้นั่งนี่ขนลุกเลยเปื้อนปีติไม่ได้อยู่ตลอดหรอกปีติน่นเชื่อเถอะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับแต่เราเข้าไปดูอากาศว่านี่ฉันเบาตัวยกมือไปมันเบามันโล่ง อ, อาการโล่งเป็นอย่างนี้เนี่ยยเนี่แต่เวลาเครียดมาโอ้โหเจ็ดปวดหวัว จึนมึนหัวใช่ไหมจนหัวร้อนบางทีอะมื จ, ะจับหัวดูนี่หัวร้อนเลยนะเนี่ยอความคิดนี่มันทําให้เราปวดหัวในขนาดนี้ก็เข้าไปศึกษาพอเราเห็นแล้วเราก็เออผ่อนคลายหน่อยอาจจะมาอเวลาอวิธีทำของผมนะเวลาอเวลามันคิดมากๆเนี่ยถ้าเร า, าัาง้งจหวาบไปเนี่ยมันไม่หายทีเนี่ยผมก็หยุดทํานะหยุดทําคือทํานั่งดูมันมันคิดไปแล้วก็มันบีบนวดแขนอ่ะมานวดหน้านวดหู เพิหน่อยหรือว่ามีน้ํางครั้งเราก็จิบน้ําไปเอาออกจากไอ้สิ่งที่นั้นมันทําก่อนนะครับมาทําเรื่องอื่นก่อนบางทีผมกม็มาบีบนิ้วใช่ไหมยกมือมันก็ไม่หายเยลยเราก็มันนวดนิ้วเอานวดนิ้วแทนเอ อ, อย่างน้อยก็มานวดไหล่นวดแขนหน่อยเออขอบคุณนะที่พาเรายกมือมาในทั้งวันอย่างนี้เออมันก็ทําให้เรามีกลาลังใจในการทําต่อไปเรื่อยๆแต่ภาพมันก็หายไปเราไม่สนใจมันไอความคิดพวกนั้นมันก็หายไป อ, อ่าเราก็มาเริ่มใหม่ตั้งไปเรื่อย มันก็ทําให้เราสนุกได้ทั้งวันนะไม่ใช่ว่าเคร่งเกรียดเดอ้อหาขุมหน้างุดงดดเดี๋ดยวเอาเยียบเอาเลยไม่ไม่ได้ไม่รู้สึกตัวใี่ไหมกระทืบเ อ, อากระทืบเอาเลยนะครับใช่ไหมเพื่อนไหมมึงไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะครับเอาแค่คนรู้สึกสบายสบายเหมือนเราไปเดินชายทะเลใช่ไหมเดินทอดน่องเดินสบายสบายลมพัดเย็นๆอย่างนั้นอ่ะคือเรามามาศึกษาเรื่องนี้เราไม่ได้มาเครียดนะครับเรามาทําให้เพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายนะครับ เรมารีแลกต้องคิดอย่างนี้ครับเรามารีแลกเราไม่ได้มาทําให้มันเครียดมันกังวลเพิ่มขึ้นนะครับถ้าผมเครียดผมกังวลแล้วผมสึกไปแล้วนะครับ <c oughs> ไม่มาอยู่อย่างนี้หรอกใช่ไหมแต่เรามาอยู่อย่างนี้เพื่อให้เราผ่อนคลายเราสบายสบายกายสบายใจไม่ใช่ว่ามาแล้วปฏิบฏัติแล้วโอ้มันเครียดมันตึงมันเพ่งโอ้ก็ไปหาเที่ยวกว่าใช่ไหมเออมันยังผ่อนคลายกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองนะครับอเวลามีอเวลาเราศึกษาไปเนี่ยเราพยายามผู้ใหม่เนี่ย อย่าพยายามให้มันคิดไปไกลของตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายก็ตามครับเรื่องคิดดีโอ้อยากจะชวนพ่อชวนแม่ชวนลูกชวนคนใกล้ๆมาศึกษาเลยก็เรื่องนี้มันดีอย่าเพิ่งไปคิดนะอย่าเพิ่งไปคิดเอาไว้ก่อนอ่อนวางไว้ก่อนแต่เราให้มันศึกษาเรื่องที่มันคิดนั่นแหละโอ้มันคิดดีมันเป็นอย่างนี้นี่คิดอย่างนี้นะแต่ว่าอย่าคิดอย่าคิดดึงคนอื่นเข้ามาแต่ว่าคิดดีมันเป็นอย่างนี้อาการที่มันอยากจะบอกคนอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับโดยเราอาศัย นะการนักงสร้างจังหวะนี่แหละไปเรื่อยๆพอนะ เ, เอาตัวเองก่อนตัวเนี้ยมาเรายังไม่ทาอะไรไม่ได้หรอกหนึ่งเลยคือพยายามอเอาใจกับกายเนี่ยอยู่กับตัวให้มากที่สุดนะครับเวลามันคิดเผื่อคิดไปดึงเข้ามาสะหรผู้ใหม่นะเกบอารมณ์ดึงเข้ามาพยายามอยปล่อยให้มันความคิดล่องลอยไปไกลนะครับดึงเข้ามาหาตัวสองเลยคือพยายามสร้างความตื่นตัวไว้นะครับอย่าปล่อยให้มันง่วงมันเหงามันเซ็งเบื่มันดัน ครับวิธีง่ายก็พยายามจะหลับตานะครับไม่ใช่บอกว่าหลับตาไม่ดีนะเพราะว่าผมก็ยังหลับอยู่บางทีแต่ว่าเราพยายามพยายามอย่าอย่าหลับตานะคอย่าพอเราอวิธีการของผ ม, มง่ายคือพยายามนั่งยืดตัวไว้นะครับพอมันเริ่มจะง่วงจะเพลินจะซึมเนี่ยตัวมันจะค่อยๆงอไปครับใช่ไหมมันจะค่อยๆงอค่อยง อ, ง อ, งอแล้วอย่างน้อยเราก็มีตัวเตือนว่าเฮ้ยนี่มันงอแล้วเราก็ดึงขึ้นใหม่อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้นั่งได้นานไม่ปวดหลัง บุกล็กเราก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้านั่งงอไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะงอไปเรื่อยนะทีเนี้ยแต่พอเราพยายามฝืนตัวเองมันก็เป็นหนึ่งขั้นที่ทําให้เราเตือนเราได้ดีนะพยายามยืดตัวไว้ความงมันก็เช่าช้าเบื่อก็ช้านะครับอ่าแล้วอย่างที่หุวงพ่อสอนในหลายอิยาบทเราไปเปลี่ยนนะครับอย่างเมื่อวานลองลองใช้ดูอเปลี่ยนยี่สิบนาทีเปลี่ยนครั้งนึงก็ก็โอเคอยู่ผมว่ามก็ดีนะครับอ่าเนี่ยปัญหาวิธีการเล่น สนุกสกอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดเกบรม il, ไม่ใช่เรื่องเครียดแต่เป็นเรื่องที่เราเข้าไปศึกษาเรื่องนั้นนั้นนะครับไม่ใช่เครียดแบบโอเขาห้ามคิดห้ามพูดห้ามเดินหนีห้ามบอกอะไรไม่ใช่นะครับจำเป็นก็ไปได้นะครับไปได้แต่ว่าขอขอให้ตามความรู้สึกไปทุกขณะอยากอยไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมอ๋อเราก็มองห้องน้ําอ่ะจะไปห้องน้ําเราก็เติมสเริ่มสตาร์ทเดินเลยแต่ว่าัจุใหมาไม่ใช่ห้องน้ำแต่สตาร์ทเดินจะเดินไปแต่ละก้าว เหยียบถินเหยียบตายไปเรื่อยๆดูความสึกไปเรื่อยอาไปนั่ง อ, อาการที่นั่งการที่อขามันตึงหลังมันหย่อนปล่อยปัสสาวะออกเนี่ยเอาจากท้องเนี่ยท้องมันแฟบลงเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงอาการที่มันโล่ง ม, มันโปร่งได้เยี่ยวออกเนี่ยโอ้สบายท้องนี่ตามมาดูไปเรื่อยๆนะครับยกลับมาอเสร็จพ้ายแล้วโอ้โล่งโปร่งสบายแล้วก็ดูอาการที่มันได้ปลดปล่อยพวกหนักออกไปนั่นแหละแล้วก็ใส่เสื้อผ้า แต่งตัวช้าๆสบายๆแล้วก็เดินออกมาปิดประตูเปิดประตูเดินมาเดินตรกรมไปเลยไม่ใช่ว่าเดินเดินมามาเข้าร้านตรกรมแล้วว่าเดินจรงกรมไม่ใช่นะครับหลายคนเป็นไหมตอนเดินอยู่ปกตินี่ไม่ได้เดินตรกรมนะครับวิ่งวิ่งมามาถึงร้านตรกรมหน้าเครียดเดินตรงไม่ใช่นะครับเราต้องเดินมาตั้งแต่ตอนเราสตาร์ทเดินนั่นแหละครับมาถึงร้านตรงกรมเพท่านหน้าปกตินั่แหละไม่ต้องขิงเจ้ว่าเออฉันเดินตรงกรมอยู่นะไม่ใช่นะครับว่าเดินเดินมาก็เดินกลับไปกลับมา เพว่าการเดินโยกมมเนี่ยแปลว่าเราอ่าเป็นงานที่เรามีเวลาว่างเราก็เลยเดินกลับไปกลับมาแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าเรามีงานแล้วก็ไปเรเก็บอารมณ์เรื่องอื่นก็ได้นะครับพยายามผ่อนคลายอย่างนี้แหละนะครับเปลี่ยนเบือนบ้างนั่งบ้างยืนบ้างอยให้มันเสง็งอย่าให้มันเบื่อนะครับเหมือนเราอหาของเล่นให้ใจของเรานะี่ะถ้าใจของเราทําอยู่กับอย่างเดียวนานๆมันก็จะเบื่อมันอยากไม่อยากจะเอาแล้ว อ่ะล้วก็มาเดินบ้างนั่งบ้างพามไปดูอะไรบอางอลมเย็ยนๆก็ตั้งใจรับลมหน่อยสูดหายใจลึกๆนะเวลาลมพัดมาผมชอบทำํำนะเวลาอ ง, อง่วงๆมีลมพัดมาเนี่ยผมจะหยุดก่อนแล้วก็สูดหายใจอารมเข้าไปในปอดก็าทาให้เราสดชื่นขึ้นอย่างน้อยก็หนึ่งวิสองวิก็ยังดีก็ยังมีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมจากที่มัน ง, ง่วงๆอยู่ก็บหายใจอารมหน่อยก็เออมันก็ตื่นขึ้นแล้วก็มีเวลาปรับเปลี่ยนทีย่ยาบุตรแหละเนี่ยพยาพยามพยายามเปลี่ยนพยายามตื่นตัวไว้ นะครับแล้วของที่มันศึกษาเนี่ยมันจะเข้ามาเองนะครับอแล้วเวลาเนี่ยถ้าเราอยู่กับตัวเนี่ยเรื่องเวลาอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่เข้ามายุ่งกับเราเลยนะครับเราจะไม่กังวลเลยนะครับพอเราตามดูมือตามดูกายตามดูใจตามดูเวทนาอิริยบทย่อยต่างๆตามดูความคิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่เบื่อพยายามสลับครับ สลับกันเรื่อยๆถ้าดูต่อมือเนี่ยมันจะมันจะเพ่งเกินไปมันจะเมื่อยนะครับพยายามสลับอามาบิดซ้ายบิดขวาบ้างเนี่ยโยคะที่พวกเราทําทุกวันเนี่ยก็ไปใช้ได้ครับเวลามันง่วง ง, งแก้ไหวจริงมันหลักหัวจริงเนี่ยยืดขายืดแง้งนะครับทำดไฟายที่ปไปทิ้งไหล่นิดหน่อยแต่ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงนั้นมันเหมาะไหมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหมุนๆเที่ยวๆอยู่คนเดียวมันก็คนเขาจะมองนะครับอย่างเงี้ย แล้วก็พยายามสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับเวลาเรามองอะไรไปเนี่ยเราก็เออก็สักแต่ว่าเห็นตอนนั้นน่ะเราอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขาเห็นคนทำอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็มองเฉยแต่ว่าเราอย่าอย่าเข้าไปวิจารณ์ อาจอาจจะได้เสียงที่มันเขาทางานอะไรหนักๆบ้างแล้วก็อย่าไปติดอารมณ์กับเสียงนะครับเราต้องรู้ว่าเออเสียงมันก็มันทำหน้าที่ของเสียงนั่นแหละถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีเสียงมีคนพูดคุยมีเครื่องจกักรมีคนทำงานมันก็ต้องมีเสียงเป็นธรรมดาขอให้เราคิดอย่างนี้นะครับได้กลิ่นไม่ดีอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปศึกษาเรื่องนั้นๆแหล ะ, นะครับใช่ไหมอืมอ่หกโมงนะครับ มีคําถามถามได้ตลอดนะครับตรับผู้ใหม่หรือว่าผู้เก่าก็ตามนะครับถ้ามีอะไรตอบแรกก็จะตอบครับถ้าตอบแรกก็จะเงียบไว้ก่อนเนี่ยก็ผมก็ใช้วิธีการนี้แหละมาเรื่อยๆนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นพระมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีอะไรนะมันก็มีนะครับมีเยอะบางทีเนี่ยกฎระเบียบเอ้ยรูปแบบเอ้ยศา ส, สนาวิธีเอ้ยแล้วเราเป็นคนที่แบบอย่างญาติโยมให้ความไว้ใจเนี่ยบางทีเราทําอะไรนี่มันเนอะมันต้องมีความ อยู่ข้างในอ่ะบางทีมันก็กดดันนะแต่ว่าเราก็อาศัยพวกนั้นแหละเป็นเครื่องมือนะครับถ้าไม่มีอะไรให้ดูเลยมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะวันหนึ่งใช่ไหมตื่นมาแล้วก็สู้กับตัวเองนี่แหละครับะตื่นมาเนี่ยเราก็เริ่มดูเลยถ้าเรายังติดข้องหมองใจเรื่องอะไรเนี่ยตอนเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยมันจะคิดก่อนเขาเลยนะครับบางทีเตี่ยลมจากเมื่อวานมาเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเลยตอนเช้าเนี่ยมันจะต่อเนื่องนะครับเราก็จะเห็นอ๋อะหรือว่าวันนี้เราเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นยังไงดีไหมยิ้มแย้ม หรือยังไงอย่างเงี้ยครับแต่เบื้องต้นเนี่ยขอให้เราเข้าไปศึกษาก่อนในสองวันหรือว่าวันนี้ครับเอาให้เต็มที่นะครับพยายามพยายามอย่าเดินไปหาเพื่อนครับสองวันนี้เราเราทําป็นเป็นคนเกลียดกันครับเป็นคนไม่ชอบหน้ากันนะเวลาไปห้องน้ําไปพักไปที่นอนอะไรเนี่ยไม่ต้องคุยกันทําเป็นไรวันนี้สองวันนี้ฉันไม่รู้จักคุณคุณฉันไม่ชอบหน้าคุณละตอนนี้ฉันตอนนี้ฉันจะอยู่คนเดียวนะไม่ใช่ว่าทําแต่ในตอนกลางวันนะครับขอให้ทําทั้งวันเลยนะครับ ถึงเวลาเข้านอนเลยตามดูไปถึงนอนดูลมหายใจถึงหลับนอนนุ่นจะดีมากนะครับทำไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วมันจะชินนะครับชินแล้วมันจะมันจะติดตัวเราทีนี้พอเราจะทําอะไรเนี่ยเขาดูเองแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปพาเขาทำแหละลุกขึ้นมาเขาดูองค์เขาเองเลยตึงขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเดี๋ยเฮ้ยตื่นในเล่าเนี่ยมันจะมันจะบอกตัวเองให้ลุกลุกลุกขึ้นมาใช่นะไหมบางทีก็ขอหน่อยนะต่อรองต่อรองกับตัวเองเนื่อีกห้าทีนะ ใช่ไหมแพ้ให้กับกิเลสตั้งแต่ตัวตื่น ต, ตอนตื่นนอนแล้วนะครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาใช่ไหมเราตาเราดุนตาขึ้นมาปั๊บใจมันจะต่อรองเลยมันยังไม่ตีสี่เลย <c oughs> อีกหน่อยได้ไหมใช่ไหมเสร็นไหมครับมันจะมีความคิดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับพอเราเออไม่เป็นไรเออตีสีอีกหน่อยนึงก็ได้ห้าทีเป็นไงครึ่งชั่วโมงยังไม่ลุกเลยทีนี้ก็เสร็จกิเลสเรียบร้อยเนี่ยมันละเอียดนะครับไม่ใช่ว่ า, าจะมาฝึกตั้งแต่ตอนยกมือนะมันเริ่มทํางานตั้งแต่เราตื่นนอนเหมือนกันนะครับไอ้กิ มันไม่ทํางานนะอ่าเดี๋ยวค่อยไปเนะี่ยออกรำลังกายเดี๋ยวให้เขาใกล้เสร็ดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนั่นี่นิดนึงนิดนึงไปไปมันจะต่อรองตลอดเวลาถ้าเราเข้าไปเห็นเนี่ยใจของเรองนี่มันร้ายกาจนะครับเห็นไหมครับผมเบสครับทุกคนเป็นครับผมก็เป็นนะครับเป็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนตัวเองภาคพอสมควรนะสรับเรื่องทํามาเนะี่ยเห็นไหมหลวงพ่อท่านพยายามทําเป็นตัวอย่างท่านนอนดึกลูกเช้า ตอนอย่ใกล้ผมก็สังเกตนะไม่ใช่ไม่สังเกตครับท่านพยายามทําตัวออกก่อนกิเลสก้าวหนึ่งเสมอนะครับ <Okay. S 1> เวลาท่านจะคุยกับคนนานนั้นก็ลุกไปท่านอยู่ตรงนี้นานถ้าลุกไปท่านก็นั่งนานเริ่มอย่างงงท่านก็ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามพยายามก้าวออกจากตัวเองใจตัวเองเนี่ยก้าวหนึ่งเสมอนะครับเอาใจออกก่อนไก่นิดหนึ่งเสมอเนี่ยมันก็ทําให้เราอสนุกในการทำใช่ไหม พ, พอเข้าใจไหมครับที่พูดมา ใช่เนาะแล้วพอพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องยากไหมครับไม่ยากเนาะแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องมาศึกษานี่จริงนะครับเป็นเรื่องที่มาศึกษาเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยเราไม่ได้หาเราไม่ได้ไปต้องไปออกแรงหาอะไรเลยแต่ว่าเรามาตั้งใจเฝ้าดูเขาหน่อยแค่นั้นเองแล้วสิ่งต่างๆมันก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยนะครับแค่เอาใจของเราเนี่ยมาอยู่กับเขานิดนึงเมื่อก่อนใจกับกายของเราเนี่ยเราโดนสอนมาเนาะใช่ไหมตั้งแต่เด็กใช่ไหม เลยคุณต้องเรียนเก่งๆนะอ่าคุณต้องรวยนะคุณต้องมีเงินคุณต้องมียศมีบ้านมีตำแหน่งอะไรมันสอนให้เขาสอนให้เราเนี่ยใจของเราเนี่ยออกข้างนอกตลอดเลยแล้วก็สแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอ่าแต่พอเรามาศึกษาเรื่องธรรมะเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเรื่องนั้นคุณมาศึกษากายศึกษาใจของคุณดีกว่าท่านเองนะครับล ก, กลับเขา้ามาทําให้เราเป็นเหมือนตอนเด็กๆตอนที่เรายังไม่คิดอะไรเยอะให็นไหมเรามีความสุขไหยครับ เรแค่เล่นสนุกหิวล้วก็บอกแม่ว่าหิวอย่า ก, กินข้าวแล้วแค่นั้นเองเราไม่ได้คิดถึงเรื่องหนี้เรื่องศีลเรื่องสุขเรื่องทุกอะไรมากเราก็เล่นสนุกสุดของเราเนะี่ยขอให้เรานึกถึงใจตอนนั้นนะว่ามันมันโลภมันโกรธมันไม่มีภาระอะไรเลยนะครับนะพอฝึกไปนานๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมกว่าอาจารย์จะเหมือนเด็กเหมือนเด็กเลยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนั้น่ะนะครับเนะี่ยแต่ว่าขอให้เราเข้าไปศึกษาเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ย มันทำให้เราเครียดให้กังวลให้เบื่อให้เสงนี่แหละให้ให้รู้จักเขาให้ถ่องแท้ก่อนว่าเขาเป็นยังไงอาการที่มันเริ่มต้นอ่าการที่มันเริ่มต้นอการที่มันตั้งอยู่แล้วมันหายไปมันเป็นยังไงพอเราเข้าไปพอเราเข้าไปศึกษาชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจเขาแล้วต่อไปมันเข้ามาเขาก็เออมองแค่ว่าเอออันนี้อารมณ์เป็นอารมณ์เบื่อนะอ า, อารมณ์เสง่นะเขาปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยอย่างตอนเนี้ยปกติไหมครับ ตอนที่เราไม่คิดอะไรไม่ง่วงไม่เบือ่อไม่เซ็งเนี่ยนี่คือความปกติของมันที่ตั้งอยู่นะครับแต่พอเราสร้างหย า, บ, า บ, บปั๊บเนี่ยยกเวขึ้นสองครั้งแค่นั้นฮาวขึ้นมาทันทีครับ <laughs> เป็นแมวบางทีทําไมต้องให้ผมมาทา่าหยาบด้วยผมก็อยู่ของผมดีๆใช่ชไหมเคยคิดอหมผมคิดบ่อยนะบางทีก็ผมไม่ง่วงผมไม่เบือเบ่อไม่เซ็งเลยแต่พอผมมาสร้างหยาแค่นั้นแหละผมง่วงเลยนะทําไมผมอยู่เฉยเไม่ได้เหรอใช่ไหม ผมก็ดูผมอยู่แต่ว่าก็ด้วยในรูปแบบที่เราต้องมาทําร่วมกันเราก็ต้องทําใช่ไหมผมรู้ว่ามันมันอาการที่มันปวดแขนมันหนักเราก็ไม่อยากทําหรอกใช่ไหมแต่ขอให้เราฝืนหน่อยครับถ้าเราไม่ฝืนตัวเองเนี่ยธรรมะมันก็ไม่เกิดหรอกเราจะมานั่งนิ่งให้มันเกิดเองเนี่ยมันคงจะ ย, ยากเนาะเหมือนเราไปหาเงินนะ่ะเราก็ต้องลงแรงลงมือทําหน่อยงานหนักเราก็ได้เงินเยอะครับนะงานเบาเราก็ได้เงินน้อยนะมันก็เป็นกฎเป็นหลักของเขาอยู่ แล้วเบื่อมาก็พยายามฝืนอ่าจะยกเข็นี้มามาเริ่มหนักแค่นี้ก็ได้นะทําให้มันสนุกนะ บ, บางทีกู ก, ก็ไหลอ่บิดไหลบ้างบิดตัวบ้างเปลี่ยนท่าบ้างอนะยกมือบิดบ้างบิดข้างอะไรบ้างอันนี้เป็นรูปแบบนะครับแต่ว่าเราต้องเอาความผ่อนคลายของเราเนี่ยเป็นหลักนะเ พ, เพื่อที่จะให้เราเนี่ยทําได้นานๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่หยุดนั่นเองนะครับ หกโมงแล้วพมิดพมีคําถามอะไรไหมครับพูดไปมันจะยาวไปเรื่อยนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็อยากให้กําลังใจนะสาหรับผู้เก่าทั้งผมเองหละคือเวลาที่ผมมาคอทุกครั้งเนี่ยหนึ่งเลยที่ผมได้เนี่ยคนตื่นตัวเนี่ยได้แน่นอนครับได้แน่นอนตื่นตัวเนี่ยไม่ง่วงเนะี่ยเ็ดวันเนี่ยได้แน่นอนแต่ไอตัวยากคือไอเจ็ดวันเสร็จไปแล้วเนี่ยมันจะต่อเนื่องไหม น, น, น, นั่นเองครับ เนี่ยความยากของมันไปถึงห้องโอ้ยเจ็ดวันเหนื่อยมากเลยนอนพักสักหน่อยไหมเรียบร้อยเราเจดวันในวัดเลยต้องตื่นสู้คองมว่างใหม่อีกวิธีที่ดีคือประคองประคองไปเรื่อยๆมันอยากจะนอนก็ไม่นอนนะอาจจะพิงหลังแห้งนิดหน่อยประคองประคองไม่ง่วงมันง่วงมากก็จะนอนนะประคองไอสิ่งที่เรามาทำเจ็ดวันเนี่ยหนึ่งเลยเราอไหลแล้วก็ได้ละไอการยกมือของเราก็จะไม่ไม่ค่อยปวดแขนเท่าไหร่ละ แตพอเจ็ดวันปุ๊บไปไปพักสบายเราเจ็ดวันเขาคลอนมาอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งแน่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่เราประคองเขามีเวลาเราก็นั่งยกมือซ้ายอย่างหว่าบ้างที่บ้านอ่เรานั่งอยู่เฉออยู่กับลูกกับหลานแเราก็ประคองมือเล่นไว้เพื่อประคองไอ้ตัวเนี้ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยนะครับอ่าเลยอย่าพยายามจะไปตามใจตัวเองนะครับออกไปแล้วเรามาทําเนี่ย ไ, ได้ได้ทุกคนแน่ๆนครับถึงแม้จะรู้ไม่รู้เนี่ย ผมเชื่อว่าได้แน่ๆหนึ่งเลยคือตื่นความตื่นตัวสองคืออารมณ์ออารมณ์กรรมฐานอารมณ์ธรรมะที่มันอยู่ในใจกําลังฟุ้งเลยตอนเนี้ยใช่ไหมโอเ้เขาคลอนมาได้อารมณ์พ่อเทศอย่างดีนะครับใช่ไหมเนี่ยแต่ความยากของมันก็คือเราจะกลับไปเป็นแบบเดิมไหมอันน่นเองนีสัยของเดิมเดิมของเราอ่าเราเคยนอนตีสีตื่นที่นี่โอ้ถึงบ้านหกโมงครับมันเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเราประคองประคองตัวเองไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อย มันจะทำให้เราอยู่ได้ไม่นานครับเมื่อเรามีเงินะ่ะเราอยู่เพิ่งใช้จ่ายหมดเลยสิ้นเดืออกมาหมื่นสองหมื่นเนี่หมดเลยทํางานมาเป็นเดือนอย่างเงี้ยจ่ายทิ้งหมดเลยอย่างเี้เป็นต้นนะครับเราก็ข อ, ขอให้ลังใจผู้ใหม่ก็แล้วกันนะครับไม่ใช่เรื่องเครียดนะเราต้องคิดคานึงถึงข้อนี้ก่อนว่าอ่ามันไม่ใช่เรื่องเครียดไม่ใช่เรื่องที่กังวลไม่ใช่เรื่องที่หนักแต่ต้องให้ทําให้มันสปออ่าผ่อนคลายสบายสบาย เรามาทำมาศึกษาเราไม่ได้มาเอานะครับเรามาศึกษาไม่ได้มาเอาต้องคิดถึงข้อ น, นี้ก่อนธรรมะไม่ได้หานะครับแต่ว่าต้องเข้าไปศึกษาในสิ่งที่เราสวดมาทุกอย่างนั่นแหละที่พาสวดตอนเช้าทุกวันน่ยสติปัฏฐานสูตรอ่ะคือนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนดูเวทานาดูกายดูใจนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่กับเราตลอดเวลาเลยเราต้องหาไหมครับทีนี้ต้องหาไหม เดินล้วก็ไม่ใช่เดินหานะครับเราก็เดินเอาแค่ความรู้สึกนั่นแหละคือสิ่งที่ได้แล้วนะครับามันมีอะไรเดินจุ ก, กมือเดินหาหาเอาหาเอาได้อะไรธรรมะอยู่ตรงไหนมัวแต่คิดนะครับมัวแต่คิดมันเลยไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ได้คือหนึ่งเราก้าวเหยียบแต่ละครั้งดูกระทบตึ๊ ด, ดไปดูน่องที่มันตึงที่ขาดูอ่ดูอ่าเข่าที่มันเดิน เาอย่าไปปุ๊บแรงสันสะเทือนมาถึงหลังถึงหัวถึงผมผ้าที่มันปลิวอยู่กับตัวลมที่มันพัดเย็นๆแขนที่มันกอดอกอยู่มันเริ่มเมื่อยเริ่มล้าไหมอเอาเปลี่ยนมาไว้ข้างหลังนั่นแหละสิ่งที่ได้ครับคือเห็นสิ่งที่มันเกิอดอยู่กับตัวนั่นแหละนะครับไม่ใช่เดินหาเรื่องอื่นเลยนะครับทักษะยังหวา น, นี้ก็เหมือนกันนะครับดูกายดูเวทนาดูใจนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับอ่ะ ใช้เวลา น, นานล้มีคําถามไหมครับครับผมควมพุงสั้นคิดเยอะคิดอะไรไปเรื่อยแล่ะครับก็ อ, อย่างที่ผมบอกวิธีการผมคือผมพี่ดูวันหยุดก่อนคือเอาให้มันฟุ่งสั้นเต็มที่เลยเอาปล่อยเขาเลยเอาดูซีค่คุณจะคิดถึงแค่ไหนแต่เราก็มานนวดของเราเล่นก่อนผมผมไม่ยุ่งกูหรอกคุณก็ทําไปของคุณเถอะใช่นไหมแล้วก็มาบีบมา มาคลึงมาอะไรก่อนนะทำตัวสบายๆหายใจเลืกๆ ก, ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งพวกนั้นนะครับเราเข้าดูอาการนั่นแหละอาการว่าเออผมมุงสั้นเนี่ยเราดูเข้าดูเขาอยู่นะแต่ว่าเราไม่ยุ่งกับเขาเหมือนคนมาทักเราอะ่ะเฮ้ยไปนี่ไหมไปนั่นไหมเราก็มองเขาผมไม่แบบปกบคุณนะ่ะแต่เราก็มองเฉยเดี๋ยวเขาก็ไปครับพอเราไม่เข้าไปยุ่งเดี๋ยวเขาก็ไปมันเป็คนนะครับมคมจิดกเหมือนกับคนเลยนะครับเข้ามาเอ้ยเขาชวนเราไปห้องน้ํำไหมมันจะคิดอยู่ข้างในกดยี่ย้แล้ว แต่เราก็ดูไว้เออดูกายของเรามันยังไม่ปวดเล ย, ยงเงียบโดนพุ่งซ่านก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเรามีน้ําเนี่ยเรายกน้ำขึ้นมาดื่มก่อนเราออกจากตรงนั้นก่อนออกจากผมคิดตรงนั้นก่อนแล้วข้า ม, มาดูไอ้สิ่งที่มันเป็นตรงนี้คื อ, อยกออกจากตรงนั้นมาก่อนสเรับวิธีการของผมนะครับแต่ว่าจะถูกต้องไหมก็ลองไปศึกษาดูนะครับไม่ต้องหรับยิ่งพยายามยิ่งเข้าไปเพ่งครับยิ่งพยายามยิ่งเหมือนเราเข้าไปยุ่งกับเขามากขึ้นเหมือนเราพยายามลืมอะ เ ค, เคยพยายามลืมอะไรไหมกลับยิ่งจําเยอะก็เรืร่อีกใช่ไหม<อ>แต่เราทําไม่เฉยๆไม่ได้อยู่กับคุณเดี๋ยวมันก็ลืมไปครับเอเดียวกันสำหรับวิธีการของผมนะเราก็เอาเอาเรื่องนั้นแหละมาทํากับเรื่องธรรมานี่แหละเคยพยายามลืมเรื่องบางเรื่องนะครับแต่ว่ายิ่งอยากลืมยิ่งจําดีกว่าเรือร่อยอีกใช่ไหมเพราะเราไปเข้าไปดูเขาไงพราะเราเข้าไปดูเขาไงมันก็เลยไม่หายาทีแต่ว่าเราเอทําแบบผคล้ายผ่อนคลายที่ไม่ยุ่งกับคุณหรอก แต่สักพักเหมือนมันเขาไม่อยากเล่นกับเราพอเราไม่ยุ่งเขาเขาก็ไปนะครับเนี่ยเราไปเราไปหาวิธีการดูแต่เราไม่ใช่ว่าวิธีหาวิธีการที่แบบจะเอาออกลวดอะไรงี้ยอย่างนั้นมันจะเครียดกว่าเดิมนะครับแต่เพียงเราเข้าไปศึกษาว่าอาการฟุ้งซ่านเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้นะมันคิดเยอะมันอยากจะไปมันไม่นิ่งมันอึดอัดอะไรมันก็จะตามมาทีเนี้ยครับเราเข้าไปศึกษาดูอาการของมันก็พอะแต่ว่าไม่เข้าไปดูข้างในไม่เป็ไม่ได้เข้าไปเป็นกับเขานะครับ จริเนาะมีไหครับกับพ่อมาแล้วไม่มีใช่ไหมครับอ๋ อ, อของว่างนี่เป็นตองวิธีการส่วนตัวครับก็ <c oughs> อย่างที่พ่อพยายามสอนพวกเรามาเนี่ยไงครับหนึ่งเลยคือเปลี่ยนท่าบ่อยๆอ่าอย่าหลับตานี่เบสิกเลยครับอย่าหลับตาบตาก็ปั๊บเนี่ยคอตกมาทําไมวันนี้มันมันอยู่กินข้าวไว้จัง <c oughs> ใช่ไหม โอ้เคยนั่งเคยนั่งหลับไหมครับทําไมวันนี้มันรู้สึกว่าเวลามันไวจังเนะี่ยตื่นมาเรายกมือต่อแนละ้วไม่รู้ว่ามันเรานั่งหลับไปนานแค่ไหนแล้วถึงครับคอก็ปวดยกคอขึ้นมาเนะี่ยอพยายามหนึ่งเลยคือพยายามอย่าหลับตาอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนสองคือเปลี่ยนท่าบ่อยบ่อยครับสามพยายามที่ตัวตรงนะครับนะพยายามอย่ามืออย่าลอยอย่าซึมนะครับเพราะถ้าเราง่วงเราซึมเนี่ยสติของเราจ ะ, าจะอ่อน ความกระชากประชิงมันก็ไม่มีแล้วเราก็จะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแค่เองเคยนึกถึงสภาพเราไปเรียนหนังสือไหมครับว่านั่งง่วงอยู่ครูสอนหน้ากระดานเนี่ยเรารู้เรื่องไหมครับแล้วถ้าเราเพลินอยู่นั่งคิดเหมือลอยอยู่เ้าสอนเรารู้เรื่องไหมครับบางทีเขาลบทิ้งไปแล้วเรายังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องภายในไงครับอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเรานั่งคิดเหมือลอยคุยกับเพื่อนอยู่ไอ้เรื่องที่เ้าสอนเรารู้ไหมครับที่นี้ใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับอเพราะฉะนั้นผลพ่อท่านถึงพยายามว่าอย่าง่วงนะอย่าเพลินนะอย่าเมื่อนะเพราะถ้าเราเหมือ่อเราง่วงเราเพลินเนี่ยไอ้เรื่องที่ภายในกายในใจของเราที่เขาสอนมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับปวดขาจะแย่แล้วเนี่ยยังคิดเมื่อยลอยอยู่อีกใช่ไหมเปลี่ยนมาตะคิวกินเลยนะครับใช่ไหมเออแต่เราไม่ง่วงไม่ไม่เมื่อยไม่เพลิ น, เ, นเราก็เห็นว่ า, าการเริ่มปวดมาแล้วคะผมง่วงเริ่มมาแล้วความคิดเริ่มมาแล้ว แ่นั้นเองนะครับอ่าเราก็มีเวลาเปลี่ยนเวลาปรับอ่าให้มากขึ้นนั่นเองเราก็มีเวลาตั้งหลับความรู้เราก็ได้ปัญญาเราก็เกิดไงครับทีเนี้ยก็เหมือน <S <S เราไปเรียนหนังสือนั่นแหละอือถ้าเราครูสอนหน้ากานันนเรามองเือนี่วิธีการบวกลบคูณหารอย่างงี้นะปัญญาเราก็เกิดเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับนี่พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนเราก็ศึกษาตลอดเลยทีเนี้ยมันก็ทําให้เราเห็นตลอดนะครับ เต่เดินเออเดินมีเสียงมันไม่ดีไว้เราก็โยกขาขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทำให้เราดูนคนมีมารยาทมากขึ้นใช่ไหมใช่ไหครับเออที่นะคะแล้วก็เวลาเาริบบออว่าแว่าเอาาว่ามาก็เมันจะมีที่อง้นว่าเาไม่นอ๋ อ, อถ้าเรา ถ้าเรารู้ว่าเราเฉยเนี่ยเราเราได้ยินเขาฟังมาเขาพูดมาเนี่ยเรารู้คําพูดที่เขาเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เหมืออลอยแล้วไปนั่งง่วงนั่งหลับเนี่ยแต่เรารู้เห็นอาการตอนนั้นเน่ยถ้าคนที่ใจเย็นเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วครับพเพราะว่าที่ผ่านคือความ เ, นเนย็นนะใช่ไหมคือมีพื้นฐานที่ดีแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ากดไว้ข่มไว้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราเห็นอยู่ว่าเออเราก็เขาพูดมาเนี่ยแต่เราไม่ไม่มีการตอบสนองแต่เรารู้อยู่ว่าคําพูดเขามันอาจจะเป็นคาพูดที่เสียแทงแต่ใจของเราไม่กระเพื่อม ไม่หงุดหงิดแล้วก็อ๋อน่าจะอนุถนาดให้ตัวเองด้วซ้ำนะครับใช่ไหมอืมก็ดีแล้วพดแล้วทีนี้แล้วก็สามารถประคองใจของเรานี้ไม่ให้หงุดหงิดทั้งวันแหละยิ่งดีนะครับแต่ว่าขอให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่สติอยู่กับกายอยู่กับความคิดอะไรพวกนี้ยขอให้มันอยู่กับกายเราเถิดนะครับถ้ายิ่งมีอารมณ์กระทบแรงมาเนี่ยเราไม่ล้มเนี่ยนั่นก็แสดงว่าอ่าเราเราเป็นคนที่มีพื้นฐานมาพอสมควรนะครับเราก็มาศึกษาเพื่อแก้เรื่องนั้นแหละ นะครับใช่ไหม ม, มีเรื่องเข้ามาเอ้ยอาจจะงู ก, กิีบบ้างแต่ว่าอย่าให้นานเกินไปอ่าถ้าคนที่ตักปุ๊บหายปั๊บเลยเนี่ยมันเยี่ยมมากนะอะเสียงก็คือเสียงนะนี่แหละทําทได้เงี้ย น, นียเทียวแล้วนะครับอ <laughs> แถวยากใช่ไหม <laughs> เสียงก็คือเสียงอยู่ก็คมคิดแต่แต่มันไม่ใช่เสียงเอาด่าฉันเหลยส่วนนั้นทันทีนะครับนะแต่ว่าเสียงด่ามาปุ๊บเสียงเมื่อพอใจมาปุ๊บกระทบปั๊บ ไปยินปุ๊บโอ้ใจเต้นละารั ว, วอยา ก, การาะด่าเขาเรเกินแต่เราจะเห็นว่าอาการใจเต้นอยู่อ้อเราเราสามารถเห็นแล้วว่าเออเสียงนี้ทําให้เราเป็นทุกข์อ่าไม่สบายใจคือด่าใจเราผ่อนคลายปรับมาเป็นกรรมก็ไม่เกิดครับเราไม่ได้ด่เอาครับใช่ไหมความโกรธความก ด, ค ว, มกดความเครืองความที่ไม่สบายใจก็ไม่เกิดเพราะเราเห็นก่อนแต่ถ้าคนเสียงเงาะเขปุ๊ บ, บหายป๊บนี่คนนั้นเก่งมากนะครับเก่งเ <laughs> ยีอมรับเลยครับ ใช่ไหมแต่ถ้าไว้ทันเราปล่อยให้มันเข้าใจปุ๊บมันมันกระทบ ป, ปุ๊บแล้วมันเต้นขึ้นมาอ่าไม่พอใจปุ๊บเราก็เห็นคนไม่พอใจนั่นแหละศึกษาคนไม่พอใจแล้วก็พยายามทําให้มันหายไปอ้อคนไม่พอใจมันเป็นอย่างนี้เพราะเรากลับ เ, เข้ามาศึกษาตัวเองเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาไปด่าเขาหรอกครับใช่ไหมพวกมันดูเรามัวมาดูใจของเราอยู่ครับเพอเราโอ๋อแค่เขพูดแค่นี้เรายังเต้นแค่นี้เรายังคือด่แค่นี้ถ้าเราพูดให้เขาไปเขาก็คงหมดเป็นเหมือนเรานี่แหละอ่าแล้วก็ไม่ด่าเขา Perry, โมกดมีไหมครับอ่คนที่ไม่ชอบนากันมันจะมีไหมครับที่นี้เรียนงกรรที่ต้องคิดมีไหมครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วีนสิเราก็ไม่เจอสติอย่างเดียวเราที่เนี้ยก็สบายแล้วใช่ไหมครับเนี่ยวันสองขับวันนี้ไปศึกษาเรื่องนี้แหละทุกๆเรื่องทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับเรานี่เองครับผมอ๋อเราไม่ต้องพูดครับอย่าไปพูดกับเขาดีครับ อ่ถ้าเพ่งนี่สังเกต ง, ง่ายหรือว่ามันจะหนักเราจะอยากได้นะแขนเราก็จะหนักหัวก็จะมึนแต่ว่าเราไม่ต้องไปเอาอะไรกับการยกมือนะครับยกมือนี้ไม่ได้มีสตินะครับแต่ว่าการรู้การหยุดการเคลื่อนนุ่นนะครับทําให้เรามีสตินะครับเราไม่ใช่เพ่งสติสติอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยเข้าอย่าผิดนะครับแต่ว่าเรารู้อาการเคลื่อนเห็นไหมการเคลื่อนหยุดยกที่มันเป็นจังหวะไงครับที่หลวงพ่อเทียนบอกนะทำให้เป็นจังหวะไงครับ แต่ถ้ารูกทุกเป็นอย่างหว่านี่มันก็ไม่มีสิ่งที่เราให้เราเห็นใช่ไหมเราก็เห็นแค่มือที่มันยกขึ้นแต่ว่ามันไม่มีจังหวะที่ทําให้เราต้องเห็นไงครับเพราะฉะนั้นพยายามทําเป็นจังหวะนี่คือ ส, สติที่ได้นะครับเราไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเราไม่ได้ทําแข่งกับใครเราด้วยเอาสถิติว่าท่านยกได้เท่าไหร่นะครับแต่เรายกเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผ่อนคลายสบายสบายรู้ว่าการจุดอาการเคลื่อนก็นี่รู้ว่าจุดว่าเคลื่อนนั่นแหละครับก็สิ่งที่ได้ ก็ใจของเรารู้ว่าอยู่ว่าเคลื่อนสติก็เกิดแล้วนะครับใช่ไหมแต่เราไปห า, ากับมือเนี่ยไม่เจอหรอกนะครับครับเวลาคเนี่ยอก ร, อ, กร อ, กนะอ่าอันนี้ทำไงดีนะ <c oughs> คือลืมก็ไม่เป็นไรลืมแล้วก็เริ่มใหม่คิด ใ, ใหม่ก็เริ่มก็ทำใหม่ หลงไปง่วงไปรีสตาร์ทเรื่อยๆครับสตาร์ทเรื่อยๆอได้สติเมื่อไหร่รก็ทําใหม่คนที่เริ่มใหม่ยิ่งเริ่มใหม่บ่อยเท่าไหรล่ล่ะยิ่งดีครับเชื่อช่าโอ้ฉันหลงสติมานานแล้วเนี่ยทําไมฉันเป็นคนอย่างนี้ไปคิดต่ออีกทุกอีกเนยครับใช่ไหมโอ้ทาไมง่วงขนาดนี้เนี่ยโอ้คืนนี้เข้ไม่ได้เลยเราเนี่ยอย่าไปคิดนะครับเออเมื่อกี้ง่วงไปก็แล้วไปปล่อยไปนะถ้าคุูวาใจไม่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มต้นใหม่เช่นนั้นเอง เริ่มต้นใหม่เริ่ต้นใหม่เรื่อยๆเรื่อยเร่ต้นใหม่มันเผอมันคิดไปก็กลับมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ยิ่งคนทำบ่อยยิ่งเท่าไหร่ยิ่งสติก็จะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นทุกคนมีเผือมีเพลินทุกคนครับแต่ว่าใครจะเริ่มต้นใหม่เ้นต้นใหม่ดีเสมอเป็นของสดของใหม่เสมอครับเนาะครับมีอะไรอีกครับอ่าก็มาแล้วครับก็ขออนุโมนา สาธุกับญาติโยมทุกท่านนะครับขอให้ญาติโยมทุกท่านเนี่ยมีแรงมีกําลังมีศรัทธามีความเพียรมีกําลังใจที่ที่จะทําเกวรมลมสองสัปดาห์ น, นี้ก็ขออนุมโมทนาให้ทุกท่านอย่ามีสิ่งที่มาลบกว น, นจิตใจด้วยคนด้วยการ ท, ทุกคนทุกท่านเชิญนนครับถูกเช้ า, ชานี่เราจะเดินจุกลงออก ข้างนอกนะมันดูเมือนจะมีเมฆฝนด้วยนะวันนี้นะที่ไม่สอดนี่มันจะไม่มีไม่มีหน้าแรงใช่ั้ยมีมั้ยมีนี่ก็จะไม่มีี่มีหน้าหนาวกันหน้าฝนทางทางยุโรปเลยนะตอนนี้เราลุกขึ้นยืนนะ